เมื่อตอนที่หลวงพ่อมีชีวิตอยูอ่ก็ไม่เคยมีการจัดกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษในวันนี้นะเพราะว่าหลวงพ่อท่านก็ไม่อยากจะให้ความสำคัญกับตัวท่านเองนะก็ไม่เคยมีกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษนะอาจาะพิเศษหน่อยก็คือปีที่แล้วนะ12สิงหานี่ ทั้งพระทั้งแม่ชีแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาก็มาทำสามีจิตกรรมมาทำวัดหลวงพ่อนะที่หน้ากุฏิที่หลวงพ่อกำลังอาพาธอยู่นะนั่นก็เป็นครั้งเดียวเท่าที่จำได้นะที่มีกิจกรรมอะไรหรือพิธีกรรมอะไรที่เป็นพิเศษหนะึ่งในวันเกิดของหลวงพ่อ จากนี้เมื่อหลวงพ่อไดอ้จากพวกเราไปแล้วนะสังขารของท่านก็ได้สูญสลายนะไปกับเปลเวลเพลิงแล้วนะก็คงมีแต่คุณงามความดีแล้วก็คำสอนของท่านที่ยังคงอยู่แล้วก็ควรแกการระลึกถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยทางวัดนะ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 การดําเนินชิวงท่านก็สามารถที่จะสอนธรรมให้กับเรานะและเป็นการแสดงธรรมไปในตัวด้วยเพราะฉะนั้นสถานที่ต่างๆที่เคยเกี่ยวข้องกับชีิตประจําวันของท่านเนี่ยเราก็มามาย้ำเตือนนะตรงไหนที่เป็นจุดที่ท่านาเคยกางเต็นท์นะพักผ่อนอิเรีย บ, บทแล้วก็แนะนำผู้ปฏิบัตินะที่มา แถวลานหินโคง้งแล้วก็นะมีการทำนิมิตหมายเอาไว้นะตรงไหนที่หลวงพ่อนะท่านเคยทิ้งผลงานเอาไว้นะแม้กระทั่งป่าไผ่นะหรือว่าป่าเห็ดเนี่ยนะเราก็มีนิมิตหมายนะทำเป็นจุดสำคัญเอาไว้อันนี้ก็เป็นผลงานหลวงพ่ออย่างหนึ่งนะป่าไผ่ก็ดีหรือว่า ที่ที่ชาวบ้านมาเก็บเห็ดเนี่ยนะซึ่งก็เป็นผลงานจากภูมิปัญญาของท่านนะท่านรู้ว่าเนี่ยถ้าปลูกต้นไมด้ดีเพพาะต้นยางนาหรือว่าปลูกป่าให้ฟื้นขึ้นมาแล้วเนี่ยนะชาวบ้านก็จะมาเก็บเห็ดนะจะมาะใช้ประโยชน์ได้นี้ก็เป็นผลงานที่เกิดจากการอนุรักษ์ป่าของหลวงพ่อนะ